ออกจากวัดก่อนเที่ยงไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรพอไปถึงเขาก็สาธิตการใช้เครื่องมือให้หลวงพ่อดูก่อนสรุปแล้วก็คือเขาทางโรงพยาบาลอยากจะได้เครื่องมือเครื่องมือสองกล้องลำไส้ทั้งสองกล้องทั้งทั้งทาวารและสองกล้องทางปากว่างั้นลนะเขายังไม่ได้เครื่องมือตัวนี้ ตางโรงพยาบาลขอนแก่นก็อยากจะได้อุดรก็อยากจะได้เขาก็เลยไปสาธิตให้หลวงพ่อดูเอาบริษัทมาเลยเหมือนนแต่บริษัทโอเลมปัตของญี่ปุ่นมาสาธิตให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อก็ดูโอ้ก็เป็นที่ประทับใจอยู่แต่ว่าเครื่องตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้มากมายเกี่ยวกับมะโลงมะเร็ง เกี่ยวกวับการผ่าตัดได้ใช้ได้มากางั้น دة. เห็นเห็นแล้วก็ชอบใจให้ผลงานของกล้องตัวนี้<ม>เครื่องมือตัวนี้ว่างั้น دة. แต่ไม่ชอบใจแต่ราคามันแพงนะ น, นะแตตัวใหญ่สี่ล้านกว่าตัวเดียวนะตัวรองลงมาสามล้านหกหลวงพ่อก็ทำทาาทั้งที่ไม่มีเงินก็นทำทาาต่อรองเขาว่างั้นเ อ, เอาสองตัวเท่าไหร่ เขาก็เลยลดให้สองล้านเก้า่ะงั้นเะขเห็นไหมขนาดสามล้านหกแต่จะเอาสองสองตัวเขาหดลดให้สองล้านเก้าแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆคงจะให้พวกเขาต่อรองอีกวางั้นแต่ก็เป็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็งไม่ต้องผ่าตัดพอส่องกล้องลงไปเห็นมะเร็งแล้วก็ ถ้าไม่ใช่มะเร็งก็รักษาเลยถ้าเป็นมะเร็งก็กิิฟหน่อยหนึ่งเอาขึ้นมาเพาะเชื้อแล้วก็จะพาตัดตรงไหนยังค่อยว่ากันแต่ถ้าไม่เป็นมะเร็งไม่ต้องพาตัดก็รักษาแต่กล้องทุกวันนี้ไม่มีไ้คถ้าเป็นแผลแล้วก็ต้องพาตัดเลยงั้นต่อเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องพาตัดดูกลัวมันจะเป็นมะเร็งนี่แหละเครื่องมือตัวนี้ทาว่าได้แล้วก็สา เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลมากๆว่างั้นแต่ทางดังโรงพยาบาลเขาก็ของบประมาณขอแล้วขออีกเขาซื้อมาตั้งแต่ปี37เ็เครื่องเก่าแต่ตัวนี้ประสิทธิภาพมันก็ไม่เหมือนเครื่องใหม่ตั้งแต่ปี37มสเ็เครื่องมือมันเหมือกับเครื่องคอมพิวเตอร์มันล้าสมัยมาเร็วว่างั้นอันนี้ปีแต่กล่องสองเฉยเฉยว่างั้นพอส่งกล้องลงไปไปเห็นแผลแล้วก็ต้องผ่าตัดเข้าไปทั้งหน้าท้องเลย แต่ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องพา่าถ้าหาว่าลงไปแล้วก็ไปฉีดยาใส่ตรงนั้นเลยถ้าไม่ใช่มะเร็งแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดเครื่องมือตัวใหม่เลยนนี้ก็เขาสาธิตเครื่องมือให้ดูจากนั้นก็เข้าไปห้องบรรยายธรรมเขาพ่อก็เข้าไปพูดในโรงพยาบาลอุดรคนประมาณจาก ร้อยกว่าคนเมั้งเกือบสองรอยมั้งร้อยกว่าเนี่ยเป็นห้องมันใหญ่เสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็เดินทางต่อไปอีกไปถึงขอนแก่นขอนแก่นก็คือเขาอยากจะให้หลวงพ่อรับพระธาตพนมทองคําเป็นผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีหนึ่งเขาจะยกย่องบุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัยหนึ่ง 1ปีต่อหนึ่งคนว่าไงเอหลวงพ่อก็ได้รับเสนอชื่อเข้าไปหลวงพ่อเลยชนะเขาว่าไงเธอชนะเป็นบุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัยเขาประกวดทุกสาขาหลวงพ่อก็ได้ได้รับพระธานประนมทองคำแต่พระเทพเป็นผู้ถวายรับกับมือพระเทพก่อนที่จะเข้ารับเขาก็ ให้หลวงพ่อไปรับรู้รับทราบวิธีการยังไงพิธีของเขาทำยังไงแต่หลวงพ่อไปไม่ทันให้อาจารย์หมอวิทูลเป็นผู้รับหน้าที่แทนหลวงพ่อไปก็ไปพักตอนนี้เช้าก็ตื่นเช้าฉันยัางหาันแต่เช้าเสร็จแล้วก็เข้าไปรอรับประมาณแปดโมง ก, กว่าพระเทพก็มาประทานปริญญาบัตรแต่เขาท่านก็ถวาย ประธานพนมทองคําหลวงพ่อก่อนจากนั้นก็ท่านประธานปรนิญญาบัตรแก่พระสี่ห้ารูปมนะั้งปริญญาโทจากนั้นก่อนประธานอมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาทั้งหมดหกพันกว่านะไม่ใช่น้อยเลยมืดห้องใหญ่ๆเต็มหมดเลยการจราพิเศษห้องประชุมจากนั้นพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็กลับมาที่พัก ตึกสงมาที่นี่ก็มาทันก่อตอนบ่ายๆท่านก็มาเปิดตึกสงอ่ะตึกสงอีกไม่ใช่ตึกสงหราตึกสีนะครินสิบเก้าชั้นนมาทําพิธีเปิดจุดนี้อีกพอเปิดที่นี่ก็เขาก็เบิกบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลหรือสาขาอื่นๆเท่าแกก็หุงก็ได้รับนะไม่รู้ว่ารับด้วยสาขาอะไร แต่ทั้งฝ่ายพระเนะี่ยมีอยู่ห้ารนะูปนะปู่ธรรมอุดมพระพระอุดมญานโมลีคือหลวงปู่ใหญ่วัดโพนองคหนึ่งแล้วก็หลวงปู่มาลัยเอ็ดองหนึ่งแล้วก็หล ว, ห, ลกหลวงพ่อองคหนึ่งท่านพิชิตหินมักเป้งองคหนึ่งจันเมืององคหนึ่งห้าองค์รับเป็นผู้มีอุปการะคุณกับโรงพยาบาลนะเกนั้นหลวงพ่อเสด็จลหลวงพ่อก็ตีรถยาวลงไปลบปุรีนะ พอถึงลบบุรีปุ่งนี้เช้าเขาถอดผ้าป่าเพื่อสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนมีรองผู้วาราชการจังหวัดหัวหน้าศาลพิพากษาหัวหน้าศาลลบบุรีแล้วก็พิภากษาศาลอุทธรแลวก็หัวหน้าส่วนราชการมาถอดผ้าป่า ที่ลบบุรีพอเสร็จแล้วก็สิบนาฬิกาสิบโมงเช้าวงพอตี ย, ยาวลงไปสวนแสงธรรมสวนเจ้งธรรมหลวงตางนกรุงเทพหลวงตากับคณะสงฆ์จะสวดมนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง8ปดสิบพรรษาตอนเที่ยงไม่ทันหลวงพ่อลงไปไม่ทันพอถึงตอนบา่ายฟ้าจิงนายก ฝ้ายหญิงจะมารับทองคำที่หลวงตาจะมอบอีกเป็นตันที่สิบสองเาั้ น, น ต, ตันที่สิบเอดผ่านไปแล้วตันที่สิบสองรวมหลวงตารวบร ว, ว, ว, ว, ว, วมได้ถึงหกร้อยกิโลวันนั้นวันที่สิบเก้าก็เลยทูลเชิญฝ้ายหญิงแล้วก็นายกเข้ามารับมอบรับปูรัรบสาบเหนื อ, า อ, าอาาชาติศาสนา ก็คือนายกศาสนาคือฝ่ายพระสงฆ์พระมหากษัตริย์คือฝ่ายหญิงรับรู้รับทราบเอาทองคำเข้าสู่คลังหลวงมาหกร้อยกิโลแต่คิดเป็นเงินออกมาก็สี่ร้ยกว่าล้านเหมือนกันนะไม่ใช่เงินน้อยเหมือนกันสี่สี่ร้อยกว่ า, ก ว, ากว่าล้านเหมือนกันเงินไอ้ที่หกร้อยกิโลเนี่ยจากนั้นพอเสร็จแล้วพุ่งนี้เช้าอีก ไอ้ตอนเย็นนะพรุ่งนี้เช้าของ ฉ, ฉันเช้าอีกวันที่ยี่สิบพอตอนบ่ายหลวงพ่อไปนิมนต์เขาไปเทศที่แบ่งชาติีได้เลนะนี่นิมนต์หลวงพ่อไปเทศที่แบ่งชาติประมาณชักสี่สามสี่โมงเย็นน่ะไปเทศที่แบ่งชาติว่าพรุ่งนี้เช้าเมื่อวานนี่ยฉันที่สนามบินฝ่ายการช่าง ฝ่ยการช่างอากาศาพวกซ่อมเครื่องเครื่องบินเหมือนกันพอฉันเสร็จก็มาขึ้นเครื่องกลับวัดแต่ประเทศที่แบ่งชาติหลวงพ่อก็พูดตามธรรมะตามปกติคือความพร้อมเพียงสามัคคีจากนั้นก็ให้ตรวจตาดูตนเองเราทำงานเรายังมีงบงบประมาณงบดุลแต่ละปี ขาดทุนกำไรแต่พวกเราลืมงบดุลกำไรตนเองแต่ละปีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยปี50 เ, เรานึกย้อนหลังด้วยซีว่าการกระทำของเราเนี่ยจุดไหนที่มันขาดตกบกพร่องจุดไหนที่อุดมสมบูรณ์จุดไหนควรจะส่งเสริมจุดไหนที่จะควรจะยับยั้งไม่ทำอันนี้ก็ได้พูดที่แบงก์ชาติ แล้วก็พร้อมการให้จัดการบริหารตัวเองถ้าบริหารจัดการกับตนเองอยังไม่เรียบร้อยเราจะไปจัดการบริหารเรื่องส่วนอื่นมีแต่เจงกับเจงทาบริหารกับตัวเองดีแล้วนะส่วนอื่นก็จะดีไปด้วยจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับให้กองทุนทั้งหลายที่องค์หลวงตาที่ท่านห้ามหรือว่าท่านขอร้องไว้นั่นนะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทางรัฐบาลหรือว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดลืมซะว่าอย่าไปคิดว่าเงินแปดแสนล้านกว่านะมีอยู่ในเมืองไทยมีอยู่ในเงินกองทุนให้ลืมซะอันนั้นคือเงินค้ำประเทศชาติทางรัฐบาลนี่ก็จะเอาอีกแต่ว่ายุหน้าก็คงจะคิดจะเอาอีกเหมือนกันแต่ตามไม่จริงหลวงตาอายุกแกขนาดนั้นนะที่ท่านห้ามไว้ท่านไม่ใช่ห้ามเพื่อท่านนะ ห้ามเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ว่าห้ามเพื่อท่านการลงทุนก็นรู้จักระ ว, ว่าเสี่ยงถ้าว่าปล่อยให้บริหารจัด ก, การไปเงินเจ็ดแปดแสนล้านเนี่ยไม่รู้จะออกเป็นยังไงกยเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วขนาดเงินปลอสกองทุนหลักทรัพย์บ้านเมืองล่มจมก็ยังฟ้องกันยังไม่รู้จักจบแล้วจะเอาเงินก้อนนี้ของประเทศชาติเอาไปถลุงอีก จะเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือหลวงตากับพระนสิ์ของหลวงตาเนี่ยไม่เชื่อผู้บริหารการเงินที่จะใหญ่โตขึ้นไปข้างหน้าพอบริหารไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจะสุดช่วยรวยแหลมไปเรื่อยๆกลัวเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เอาออกมาดีไหมไม่ควรจะออกเอาออกมาเอาไว้ก่อนดีไหมเพราะเหตุไรเพราะว่าถ้าเอาไว้ที่นั่นก็เหมือนกับเงินประกันครอบครัวหลวงพ่อพูดในวันนั้นเงินประกันครอบครัว คือเงินประกันครอบครัวเนี่ยไม่ใช่จะเอาเงินก้อนนั้นมาลงทุนทั้งหมดในครอบครัวในครอบครัวของเราเป็นครอบครัวใหญ่เอาเงินก้อนนั้นมาลงทุนทั้งหมดจะเวลามีความจำเป็นจะใช้เงินน่ยทำยังไงขณะที่เอาเงินไปฝากคังไว้ก็ยังไกลอยู่นะเอาไปฝากธนาคารไว้ยังไกลอยู่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปเบิกเงินเอามาใช้เนี่ยก็ยังยังเดินไกลอยู่ถ้าจะเอาไปเอาไว้ใน ตู้เซฟในบ้านเวลาเกิดประสบอุบัติเหตุ ม, มาก็ยังเปิดตู้เซฟช้าเกินไปก่าจะเปิดได้ถ้าเป็นไปได้ เ, เงินก้อนนี้เหมือนกับสองตายายสามีพัญยาพ่อบ้านกับแม่บ้านเอาไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นที่รู้กันสองตายายสามีพัญยาเงินก้อนนี้เวลาลูกคนใดเจ็ดแปดเก้านลูกสะพ้ยลูกเขยลูกสาวลูกชายใครก็ตามหลานก็ตามที่ อยู่ในครอบครัวใหญ่นั้นประสบอุบัติเหตุขึ้นมาจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็ต้องเอาเงินก้อนนั้นให้ใส่รถไปเลยไปไปเอาเงินให้เขาเลยสองแสนสามแสนบาทเอาให้อยู่นะเดี๋ยวจะสฉมให้อีกแต่ตึ้งยังไงเอาให้อยู่นี่แหละเงินก้อนนี้ลักษณะอย่างนี้แหละเงินเอาไปใช้แบบรีบเร่งรี บ, ร, บ, ร, บร้อนคล้ายๆว่าใช้ในครอบครัว ถ้าว่าไม่มีเงินน่ะส่งคนไปแล้วก็โยนแหมะให้ไปหมอเขาก็จักจะได้หรือไม่ได้เงินเขาก็รักษาตามภาษีภาษาผลที่สุดคนของเราทั้งที่เป็นเศรษฐีทั้งที่คนมีเงินเขาก็ดูไปอย่างนั้นเลยจะไปตำหนิแพทย์หมอเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าเมื่อทุ่มเทอย่างสุดๆลงไปแล้วเขาจะได้เงินกลับคืนมาหรือเปล่าเพราะมีถ้ามีเงินจริงเขาต้องมาให้ก่อนอันนี้ทําไมเนี่ยอันนี้คือเงินก่อนอ น, นี้มีความจําเป็นนะ ถ้าจำเป็นก็คืออะไรจาเป็นเมื่อบ้านเมืองวิกฤตข้าวยากหมากแพงทุพพิกภัยโรคระบาดใครจะไปรู้ว่าโรคระบาดจะเกิดขึ้นในประเทศชาติจะซื้อยาจะสั่งยามาจากประเทศไหนเกิดศึกสงครามขึ้นมาในประเทศถ้าเกิดศึกสงครามมาเราจะไปยืมเงินต่างประเทศมาเพื่อซื้ออาวุธหรือเพื่อจ้าง ถ้าหารอะไรไปยันไปสู้รบเอาไว้เขาจะให้หรือในช่วงนั้นเขาไม่ให้น่ะเพราะเหตุไรเพราะว่าเอามาก็เหมือนกับไปคาบคู่ศัตรูเขาะ เ, เขาคงไม่ให้ผลใน่สุดก็ต้องได้ใช้เงินเหล่านี้แหละเงินเหล่านี้ก็คือเงินที่เกิดประโยชน์ในประเทศชาติบ้านเมืองพวกเราคิดให้ดีนะหลวงพ่อหลวงพ่อว่างนนะหลวงพ่อว่ า, พ ว, าพวกเราให้คิดให้ดีนะเอให้ลืมซะลูกหลาน แต่องค์ลวงตาเนี่ยท่านช่วยชาติท่านช่วยอย่างสุดๆนะพวกเราดูเราจะรู้ได้อย่างท่านไปโรงพยาบาลจันท์อังคารพุธพระหั ส, สุกไปโรงพยาบาลตามอําเภอท่านให้เดือนละให้โรงพยาบาลละสองหมื่นสองหมื่นทุกครั้งนะเดียเ๋ยวนี้ข้าวสารอาหารแห้งน้ําปูน้ําปลาน้ํามันพืชอีกต่างหากที่ส่งให้โรงพยาบาลท่านให้ทําไมท่านก็บอกว่าเมื่อไปถึงแล้วเราสลดใจ ถามโรงพยาบาลเป็นหนี้สินเป็นหนี้เพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาส่งคนป่วยมาถึงโรงพยาบาลพอส่งมาแล้วเขาก็ให้คนญาติพี่น้องของเขาลูกหลานของเขาเฝ้าป่วยคนป่วยแต่ทีนี้กลับไปไปบ้านก็ไม่ได้มันไกลจะอยู่ที่นั่นก็ไม่มีเงินที่จะซื้อกินผลที่สุดโรงพยาบาลเห็นแล้วก็ต้องได้ทําอาหารเลี้ยงเขาตอนเช้าก็เลี้ยงข้าวต้ม ตอนเที่ยงก็เลี้ยงอาหารหนักแค่นี้ทําทุกวันทุกวันมันหลายคนใช่ไผลที่สุดก็เลยโรงพยาบาลก็เลยเป็นหนี้เป็นศินเพราะซื้ออาหารเลี้ยงพวกคนเหล่านั้นหลวงตามหาบัวได้ยินท่านสลดสังเวชใจโอ้โหมันมีอย่างนี้หยุดเที่ยวเลยเอาถ้าอย่างนั้นเราจะให้เดือนละสองหมื่นตั้งแต่บัตรนั้นมาท่านก็นเลยให้โรงพยาบาลละสองหมื่นสองหมื่นมาเป็นประจําไม่ใช่โรงพยาบาลเดียวนะไปที่ไหนให้เกือบทั่ว ภาคอีสานน่ยจนถึงชัยภูมิที่ท่านให้มาจังหวัดเพชรบูร์ให้มาผมไปที่ไหนท่านก็ให้ที่ท่านได้ไปนี่แหละที่ท่านให้สงเคราะห์จากนั้นท่านก็ยังเขียนพินัยกรรมไว้อีกว่าเมื่อเราตายไปเมื่อเราตายไปเมื่อไหร่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาในงานศพของเรามาทำบุญในงานศพของเรา ทุกบาททุกสตางค์ให้เอาซื้อทองคําเข้าคังหลวงหลวงทั้งหมดห้ามเอามาใช้ในงานศพของเรางานศพของเราให้เอาฝืนเท่านั้นเผาเนี่แหละหลวงพ่อเองกันในฐานะกรรมการองค์หนึ่งเหมือนกันที่รับรู้รับทราบถึงยังไงหลวงพ่อก็จะต้องพักยันพักดันให้เป็นตามแนวแถวที่องค์หลวงตาต้องการใครมีองค์ไหนบ้างในประเทศไทยได้ยินใครใครบ้างในตระกูลไหนบ้าง ที่ได้ทําพิพนัยกรรมไว้อย่างนี้พวกเราเคยได้ยินไหมนี่แหละหลวงตาท่านช่วยชาติช่วยขนาดนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายถึงจะไม่ทําถึงจะไม่ทําอย่างหลวงตาก็ขอให้เอาเสี้ยวหนึ่งเสี้ยวหนึ่งของความคิดของหลวงตานั้นเอามาช่วยชาติบ้านเมืองหลวงพอว่าความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมของพวกเราเพราะต่างคนก็ต่างเสียสละอย่างองค์หลวงตานี่ ถึงจะไม่เสียสละอย่างหลวงตาก็เอาเสี่ยวหนึ่งมาช่วยชาติบ้านเมืองนี่แหละหลวงพ่อขอฝากไว้กับลูกหลานทุกๆคนผู้เกี่ยวข้องในรับภูร์รับสาวเป็เจตนาของหลวงตาเนะี่ยเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่เครือบแฝงด้วยประการทั้งปวงเพราะอายุของท่านก็9ก้าสปีเข้ามาแล้วท่านหุ่งหวังอะไรท่านหุ่งหวังอยากจะเห็นลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขเท่านั้นเองถ้าเอาเงินก้อนนั้นมาถลุง เอามาใช้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงไม่มีใครรับรองรับประกันได้นี่แหละหลวงพ่อเองเน้นนำพระป่าองค์หนึ่งก็ขอบอกกล่าวให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานรับผู้รับสาบไงตลงพ่อกพูดอย่างนั้นละวันนั้นเหมือนเดิป่านนี้เขาคงจะดาขข่าโคมโคมตามหลังหลวงพ่ออยู่ก็ไม่รู้เหมืนกันาว่าหลวงพ่อไปอเขาก็จะหา กลัวเขาจะว่าลุงพ่ออยู่ในป่าไม่รู้ไม่ได้เรียนบัญชงบัญชีอะไรหลุงพ่อก็พูดีินะลุงพ่อว่าเนี่ยนักบัญชงบัญชีแล้วนักบริหารอการเงินเขาคงจะว่าเก็บไว้โง่าทาไมเมื่อเงินมันมีอยู่ก็ออกมาใช้สิมาหมุนสิเงินมันจะได้ใหญ่ขึ้นแต่ตามไม่จริงมันใช่ป่ะเงินหมุนนั้นมันใหญ่แน่แล้วป่ะหมุนเงินแต่เราไม่เชื่อคนที่หมุนนี่สิ ไอคนที่หมุนเงินเนี่ยหมุนไปเท่าไรยิ่งเล็กลงเนี่ยแหละเราไม่เชื่อจุดนี้หลวงพ่อก็ว่า ย, ยัางงั้น น, นี่แหละเหมือนวันมันหลวงพ่อก็ได้พูดแต่ไม่รู้เขาจะว่ายยังไงแต่ตามไม่จริงก็หลวงพ่อบอกว่าถ้าวาว่พวกเราทุกๆกท่านแต่คิดได้อย่างนั้นหลวงพ่อวะก็จะดีเหมือนกันนะถาาว่าเอาเงินก่อนนั้นมา หลุงซะนะถ้าใครจะเป็นคนรับผิดชอบ เ, อเงินก็ร่อยลอยไปเรื่อยๆผนที่สุดคนที่เอาออกมาเนะ่ะไม่กี่คนคนที่จะเดือดร้อนวุ่นวายที่จะจิบหายวายปวงเนะี่ยต้องหกสิบล้านกว่าคนนะาคนเอาออกมาใช้เนะี่ยไม่ตกลงมติกันนะไม่ถึงร้อยคนมั้งที่ลงมติกันแต่คนที่จีบหายนะเท่าไหร่ คนที่เดือดร้อนนะหลวงพ่อว่าเนี่ยทาว่าเก็บไว้จะเกิดประโยชน์กว่านังหลวงตาท่านเห็นท่านมองเห็นอย่างนั้น่ะท่านจึงได้ห้ามปลามเอาไว้เพราะนั้นลูกหลานต้องฟังนะต้องฟังเอาไว้นะลูกหลานนะหลวงพ่อพูดในวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบตอนบ่ายตีแบงชัดยี่สิบธันวาห้าศูนย์เอารับพรนั้นจะนด้นะอนุมโมทนาให้พรที่ไหน หลวงพ่อไปทุระเป็นอย่างนั้นล่ละถ้าไม่พูดให้ฟังลูกหลานญาติโยมก็คงจะไม่รู้ว่าหลวงพ่อไปทำอะไรบ้าง